เมื่อมีสติมาตั้งไว้กายใจก็จะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นรัดรับความเป็นธรรมมกับคองกายของใจเราปล่อยปะละเลยตัวของเรามานานพอสมควรให้ความหลงของกปวดควทุกความรักของชังเข้าออกอยู่เรื่อยต้องมีปัญหา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 เห็นทุกอย่างที่มีอยู่ในกายในใจไม่มีตรงไหนปิดบางทางแต่เมืองเสพพันยาอยู่ในกายในใจเรียว่าตำลอเล่มใหญ่ให้เหมันจบซะถ้าจบร่างกาย่ลงใจแล้วจะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นจะให้มีอะไรต้องมาลูกเรื่องนี้ดูแจ้งในเรื่องนี้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 อาลัดเตรียมตาวดไปมันก็บอกแต่ที่ไม่มีแล้วมันบอกไปแล้วธรรมชาตินําหมดไปก็อะไรมันเพียเพ้ยนเพี้ยนกพราะอะไรเพี้ยนเพราะฝีมือของคน ก, ก็เม่าก็ม่แทรบมันมา ก, ก่อนอุตสาหไปฉันขาเม่าตะโกนกกนกครดยินแล้วท้องเสียไม่แช่บไม่มีรสชาติ ม, มาเมื่อก่อนอะไรแล้วก็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 เอาขาดแรงแจงคาดหม้อถ้าผัวงเมียโกรธกันก็ไม่มีน้ำจะกินแล้วมันทำอะไรไม่ได้ถ้าเราศึกษาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องแก้ไขให้ได้เดี๋ยวนี่นี่เองมันลงตรงไหนอ่ะมันมีเหตุมันทุกตรงไหนมันก็มีเหตุไม่ใช่มันเลื่อนลอย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 ของไว้มัเขาผีพายแข่งเรือกันเราต้องรู้จักใช้กาใช้ใจเราเดีนี้เรามารู้จักใช้กายใช้ใจอะไรยื้นมาให้ก็เอาเลยความรักขึ้นมาก็เอาความรักความกเกลียขึ้นมาก็เอาความเกลียความทุกข์ขึ้นมาเอาความทุกข์ความหลงขึ้นมาให้ก็เอาความหลง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 กังชิกขึ้นมาก็มัก็ขณะเดียวกันนั่นมันก็เป็นภาวะสองอย่างในความหลงในความโล้สองอย่างให้ดูดีๆตรงนี้จะเห็นรูปเห็นนามอย่าเป็นกบเกลื่อนไว้ใส่ใจตรงนี้ชักหน่อยเห็นรูปเห็นนามจะเอกันเลย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 เขาก็ตรวจไม่ให้ดำาะไยเข้าไปถ้าจะให้พระเจ้าพิสารตายไม่กินข้าวก็เป็นเมียก็เอาน้ำข้าวใส่ตัวเข้าไปไม่มีรายก็ไวถึงในคุกก็ถอดเสื้อออกก็มีน้ำข้าติดตามผิวหนังพระเจ้ามิสารก็เลีย <laughs> ดูสิอยู่ได้นะเตียผิวหนัง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 อามาเลี้ยงแล้วก็ที่มีสแสงแซลเยอะสแสงแซลลมันจีนแม่พึ่งพึ่งเลี่ยงเนี่ยมันพึ่ ง, ง, โ, งโง่โบินไม่ไหวให้เหมือนพึ่งหลวงพึ่งหลังพึ่งป่าเวลมันออกหลังแวาลาเราเข้าหลังบินเวนง โ, งโง่ๆเข้าทางเดียวือ้นกสแสงแซลลมันก็มีเยอะแยะเลย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 เามันก็มันก็ย่อยให้ไปติดขามันมันก็กินน้ำผึ้งมันก็ย่อยๆ่อย่อยเป็นกินผึ้งเอาไปป้อนโูกมันใส่รังไว้ให้โรกมันกินแล้วก็ไปด้านผึ้งปอมๆไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ปติเหมือนอินซีเดจับปั๊บได้ไหมเพามันบินขึ้นมาเหมือน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 มันจบมันทุกเรื่หมดแล้วเรืหมดแล้วเรหมดแล้วเรื่หมดเยแล้วลความพยายามความโล้ความโกรธหรืบอบ่นอนทำเก็งอนอนกลับมลครับปฏิกมันที่เป็นอาการเรื่อหมดเลยจบไม่มีอะไรเลย